เราก็นั่งปฏิวัติธรรมกันพระศาสนาก็คือตัวเราศา ส, สนาคือตัวเราพรศาสนาก็คือตัวเราที่มันรู้ตื่นเบิกบาน เป็นเรื่องของจิตของใจเรานี่แหละระดับของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ศีลธ ร, รรม <c oughs> มันเป็นตัวของวัฒนธรรมตัวของประเพณี <c oughs> เป็นตัวของ <c oughs> บุญ ที่มีการเกี่ยวข้องกันสังคมนิยมต่างๆเป็นตัวบทกฎหมายเป็นระนาของนิติ น, นัยมีบทบรรยัติต่างๆมีถูกมีผิดมีเหตุมีผลมีพรพพรค ม, มีพวกมีกลุ่ม <c oughs> แต่ว่าเรามาศึกษากันในระับที่เรียกว่า ไปคนเดียวอยู่คนเดียวเรียกว่าปรมาถสภาวธรรมปรมาถสภาวะก็คือสักตะวะเห็นโสะวะเห็นได้ยินโสะวะได้ยินกลิ่นโสะะกิน่นรสโสวะสสระวะสสัมผัสโสวสัมผัส คิดนึกปรุงแต่งสักแต่ว่าเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นจิตในจิตไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นธรรมในธรรมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเราจะเรียนให้มันรู้ เรง่ายก็คือสัมผัสในความรู้สึกตัวเพียงแค่ว่ารูปแบบมันมีหลายวิธีการวิธีการว่ารูปแบบเปรียบเหมือนกับว่าคอนกรีตประกอบ ด, ด้วยปูนซีเมนต์ประกอบ ด, ด้วยหินด้วยทรายด้วยน้ํจาจะขึ้นรูปเป็นต้นเสาก็ต้องมีแบบแบบกลมแบบเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมแปบดบเหลี่ยมแบบ จะกี่เหลี่ยมก็ตามกอนกรีดที่เหลือไหลใส่แบบให้เวลาจนเซ็ตตัวจนก้อนกรีดแข็งตัวพร้อมที่จะรับน้ำหนักขานเสาหรือว่าโครงหลังคาชั้นสองสามสี่ห้าให้เวลาเขาเซ็ตตัวชั้นใดก็ดี รูปแบบ14จังหวะลมหายใจท้องพองยุบเตินจงกลมสัมมาหลังเรืออะไรก็ตามก็เปรียบเหมือนแบบเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมแต่ละทรงแล้วเราก็นำจิตที่มันเหลวออไหลชอบคิดฟุ้งซ่านนำมาใส่ไว้แล้วใส่ใจลงไปในรูปแบบ ขณะต่อขณะให้เวลาหนึ่งวันสองวันสาวัน4วันห้าวัน6วันเจวันให้สังเกตจิตที่ไหลหก็เริ่มตั้งมัน่นเริ่มเป็นปกติมั่นคงจิตลักษณะนี้มันมีคุณธรรมามากมายที่จะทำประโยชน์ทำหน้าที่อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ เป็นจิตที่ไม่ได้ไปแนวเดีตแนวนาคตหลงลืมเหลวไหลมันเป็นจิตที่อยู่กันเนื้อกัตัวเราพู้เรื่องราวของตัวเรารูปทํานามทํากันหน้าศึกษารายละเอียดตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเท้าจะหลดหัว ทังรูปทำทั้งนามทำอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดความฉลาดขึ้นมาได้เห็นบนเห็นบาปมนคืออะไรบาปคืออะไรนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงสวรในอกนรกในใจมันฉลาดขึ้นมาเคยเชื่อมงคลปื่นข่าว ก็กลายเป็นว่าเขาว่าเราว่าแล้วก็ความเป็นจริง mm hmm. ความเป็นจริงคือสัจธรรม mm hmm. เขาว่าเราว่าคือโลกธรรม mm hmm. อยู่ในโลกก็ต้องมีโลกธรรมแปดนินทาสันเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ mm hmm. อันนี้กฎของธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่มีอยู่ตามสมมติบัญญัติของโลกมนษย์ เรียกไม่ได้ทุกคนก็ต้องเจอแบบนั้นแล้วรู้แล้วรู้แล้ ว, ลวเขาทุกข์เราไม่ทุกข์เขาวุนวาวว่นวายเราไม่วุ่นวายเขาสับสนเราไม่สับสนก็ไม่รักเราเราก็รักเขาเขาไม่เมตตาเราเราก็เมตตาเขาก็เปลี่ยนไปนอย่างนั้นไฟเป็นดอกไม้บูชา กระทบล้ร้อนวูบ ก, กายเป็นกระทบแล้วก็เย็นเจ็บอย่างงี้มันจะมีอยู่เย็นเข้ากระดูกดําตรงนี้แหละมันก็ปลอดภัยพึ่งได้เริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวที่กายต่อมาเป็นความรู้สึกตัวในการได้ยินได้ฟังได้ดูได้คิดนึกปรุงแต่ง มันละเอียดลงไปมันอจึงเห็นว่าในความทุกข์มีความไม่ทุกขนะ์ในความร้อนมีความเย็นเคยได้ยินผู้รู้หรือ ว, ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดถึงเย็นได้ในเตาหลอมเหล็กตรงนี้แหละมันคือคุค่าคือกำไรนะ ของการเรียนรู้และเกิดพัฒนาการขึ้นมามีวัดพัฒน า, าะดันความรู้สึกตัวหรือการปฏิบัติธรรมก็คือความถูกต้องในทุกทุกขณะแห่งวิวัฒนาการถูกต้องนั่งรั้วนั่งเดินยนื่นเดินพูดรั้วพูดความคิด เกิดขึ้นมาก็รู้ว่าคิดอันนี้มันไม่มีรูปแบบมันนอกรูปแบบเวลามันคิดเนี่ยมันนอกรูปแบบแต่ถึงจะนอกรูปแบบมันก็มีแบบเหมือนกันแบบไหนแบบพระก็ต้องคิดแบบพระพูดแบบพระทำแบบพระ พูดอย่างมีกําลังใจพูดแบบไม่จนใจคิดแบบมีกําลังใจคิดแบบไม่จนใจเป็นพระคิดแบบเป็นพรหมเป็นยังไงก็ ค, คิดแบบมีกําลังของเมตตามีการเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําจิตมีน้ําใจอ่อนโยนนุม่มนวล แล้วก็ไม่ประมาณอัปปมัญญามันก็มีแบบของมันแบบนี้แหละเกาเรียกว่าปรมแบบผีเป็นยังไงก็หลอกลวงต้มตุนแบบผีหวาดวันหวัดระแวงเสียวสันหลังสะดุ้งหวัดประวาลบๆลบเปลกๆลก แบบผีใจเป็นแบบนั้นแบบผ้านีนเปิดเผยแบบสัตว์ไรฉานเป็นไงก็คือขวางแหลกขวางแหลกดีก็ไม่เอาเรียกว่าอากาิถ้าอากาินี่ก็แบบเดรัจฉานไปแบบขวางๆพบภูมิกิดมันก็บอกอย่างนั้นแบบไหนเราก็เลือกเป็นสัตว์นโลก อ, อู่นร่กาย เปรตเป็นอบายภูมิภูมิต่ำประเภทนี้หนักอกหนักใจขัดขัดยังยงเกิดแต่ความทุกข์เกิดแต่ปัญหาเหมือนรัฐสภาตอนนี้นมีประเด็นบางประเด็นที่ไม่เป็นที่ยอมรับหมุมากลากไปขณะที่กำลัง ต่อรองประชุมเรื่องบางเรื่องที่จะขอให้ผ่านอีกกลุ่มก็เห็นได้อีกกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยอันนั้นเป็นสมมุติบัญญัติที่มีอยู่ในระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบมาจากพิจารณาธิปไตยมาจากราชาธิปไตยราชาธิปไตยคืออาตาัตมาธิปไตยที่ตัวตนของบุคคลบางคน ชี้นำอภิจนาทิพไตยก็คือคนที่ชี้ไม่กล้าแสดงออกให้บริวารชี้นำแล้วก็ทำต่อไปประชาทิพไตยก็คือลักษณะของคนทุกคนมีความเห็นเอาความเห็นของคนส่วนใหญ่แต่ว่าเรามาอยู่กันวัดวารามในใธรรมาทิปไตยที่เกิดจากสังขาสังคะ สังฆาหมายถึงว่าพระสงฆ์สี่รูปเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็เข้าใจธรรมะเข้าใจยริงๆเรื่องธรรมะแล้วก็อยู่กันเป็ น, นกลไกของการปกครองแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำแต่ที่นีวัดป่าสุโตเราจะใช้การปกครองตัวเองยังไงที่เรียกว่าปกครองตัวเอง ก็คือทุกคนต่างต้องรู้สึกตัวตรงนั้นเหมือนสมมติบัญญัติเป็นปราทัศภาวะแล้วกลไกของเหตุปัจจัยต่างๆก็จะเป็นตัวที่แสดงออกให้เราได้ผ่านวิธีผานก็ผ่านด้วยความเป็นโปรติภายในมีปัญญาแก้ไขมีความอดตนอดกลั้นรอตายตัวก็แก้ไข ช้าๆได้ป้าเล่มงามตัวนี้มันมีอยู่การแก้ไขก็คือเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามผู้ที่ฝึกสติมีความรู้สึกตัวเราก็จะเห็นว่าบางปัญหาไม่ต้องแก้ไขเวลาผ่านไปปัญหาก็หายไปเองเคลื่นกระทบฝั่งตัวที่2ก็คือปัญหามีแก้ไม่ได้แต่ใจเราต้องโปรติไว้ก่อนไม่ทุก ที่เราเข้าวุ่นวายแล้วไม่วุน่นวายให้โอกาสอันนี้พอเวลาผ่านไปนะมันก็จะเกิดนะลักษณะของบางทีมีผู้รู้วินโยชนแล้ว่าคนที่มีกำลังหยิบยื่นมือมาช่วยนะอันนี้ก็มีเหมือนกันเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นมา เรามีความรู้สึกตัวอยู่บางทีมันก็ปิ๊งขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องแก้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็คือการเกี่ยวกองกับวัตถุหนึ่งสองสาบุคคลหนึ่งสองสามัตว์สารสิ่งต่างๆ ต, ต, ต้นไม้ใบหญ้าเป็นลนักษณะของพิจานณยามทำมนิยามกรรมมิยาม มันเป็นนิยามที่มันมีเหตุและผลเป็นกฎของกรรมกฎของธรรมชาติต่างๆเราก็เรือนรู้ฝึกหัดจากการที่เราได้นั่งปฏิบัติธรรมในรูปแบบนี้แหละนะขณะที่อยู่กับตัวเองเราจะได้เห็นความคิดที่มันพลังพลนะูอเดดนาคตทัต้งเป็นวิภาวิจารณ์เกิดขึ้นมา นาจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้แล้วรีบสรุปเป็นการคุยกับความคิดของตัวเองเราจะได้เห็นมิตกวิจารณ์เกิดขึ้นมาก็คือตัวเองสอนตัวเองเรียกว่าจิต ด, ดูจิตจิตดูจิตก็คือขณะที่มันคิดเกิดขึ้นมามันก็ค่อยๆหาเหตุหาผล ดีเป็นอย่างนั้นไม่ดีเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดีก็เปลี่ยนเป็นไม่ดีเดี๋ยวไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นดีมันก็โดแล้วก็แตกฉานขณะที่จิตสอนจิตเอาคิดดีไปกลบคิดไม่ดีท้ายสุดกลับมารู้สึกตัวดีขนาดไหนก็ไม่เอาดีขนาดไหนก็เป็นแค่ความคิด เหมือนกับหม้อที่ช่างปั้นหม้อปั้นลูกสวยขนาดไหนก็แตกไม่สวยก็แตกปุญญาที่สังขารนะปุญญาที่สังขารเรากลับมารู้สึกขณะคิดก็กลายเป็นผ่านความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งใจจิตคิดดีเขาคินเขาเองจิตคิดไม่ดีเขากินเขาเอง แล้วแต่จริตนิสัยอุปนิสัยอธิวาสนาบุปกรรมต่างๆกรรมฐานก็คือช่วยให้เราเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามผ่านมาเป็นเรื่องของพุทธิภาวะนะที่เป็นพุทธจริตคิดแบบไม่เบียดเบียนตัวเองคิดแบบไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นปัญญา เป็นวิปัจนาญาณขนส่งพลไปต่างลวงจากภาวะเก่าๆ ก, ก็กลายเป็นคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นความดีความงามกับความสุขสวยรวยดีแล้วก็เห็นความจริงมีแล้วพัดป้าจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ เราก็รู้แล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวความเป็นปกติจิตเนี่ยมันไม่บวกไม่ลบเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาของประตูหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามลุน้ำกันธาต่างๆ่ักศตรวาเกิดขึ้นมาก็เป็นเช่นนั้นเองอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไร จะพูดก็พูดไม่เป็นไรอะไรก็ขอบคุณขอบคุณไม่เป็นไรมันเกิดสถานะที่เป็นสภาวะของความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาจริงๆประพฤติประัจจันปรมัจจันก็ต้องปรากฏแต่ในสภาวะของผู้ดูก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้สัมผัสมันก็เรียนพัฒนาขึ้นไปเป็น จบเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไม่มีใครเรียนซ้าชั้นนะอนุบาลก็อนุบาลกันอยู่นั่นแะปอหนึ่งก็ปอหนึ่งกันอยู่นั่นแหละปฐมมัธยมก็มัธยมกันอยู่นั่นแหละโอทมศึกษาก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกมันก็จะมีการผ่านสิ่งที่ทำให้ผ่านก็คือสติปัญญา เป็นเครื่องมือในการเดินทางวิปาาัสสนาญาณขนส่งถึงจุดหมายปลายทางนะก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องหันหน้าหันตานะกลับมาดูตัวเองดูแลตัวเองให้คุ้มใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจวาจาก็ไม่ส่อเสียดเพ้อเจอคำหยาบโกหกพูดกันใดเป็นความจริง พูดในสิ่งที่เห็นที่สัมผัสเป็นว จ, จีสุจริตเป็นวาจาสุภาษิตปีญาวาจาคาธีลภาพพูดอาหารวาจามัตรุษพูดแล้วสร้างสรรค์ร่างกายของเราก็ไม่เอาไปใช้ในส่วนที่ทำให้เกิดทุกข์ก่อทุกข์้นมา สิ่งเสพติดโดยทำอะไรที่มันทำให้เกิดอายุไขัยมันลดลงมาเราถนอมเขาแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าปล่อยจนอ่อนแออย่างนี้เป็นต้นวเวลาคิดก็คิดด้วยเมตตาเวลาพูดก็พูดด้วยเมตตาปฏิบัติสิ่งใดลงไปทางร่างกายก็โดยเมตตา แต่ว่าเมตตาก็จะมีพระเดชกับพระคุณนะตรงนี้การให้ก็ต้องให้เขาพึ่งตัวเองได้คิดด้วยเมตตาก็หมายถึงว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังความรู้สึกตัวมันก็จะบอกอย่างนั้นแหละเกิดมาหนึ่งชาติการที่เราจะเดินทางสู่การพ้นทุกข์คุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นมาเอง ความเมตตาแลาวม่ต้องคิดนะที่จะแสดงออกเป็นเมตตาไม่ต้องเพราะว่าสภาวธรรมภายในนะเมตตามันมีอยู่มันปลอมใช้คุณธรรมต่างๆกุศลธรรมอกุศลธ ร, รรมมันมีอยู่แต่ว่าถูกจัดระเบียบเรียกว่าไตรสิกขาสี่สมาธิปัญญาถูกจัดระเบียบเป็น จิตตภาวนารู้แล้วก็รู้ตื่นเผิกปานใช้คุณธรรมต่างๆแล้วก็ไม่ยึดบางทีเราทำดีแล้วยึดดีทำดีแล้วติดดีตรงนี้เราคือปัญหาจิตของเรากลายเป็นเทพอาสูนกลัวจะไม่ดีกลัวจะไม่ดีอย่างี้ ก็เลยพยายามทำอะไรให้มันดีขึ้นมาแล้วท้ายสุดก็คือพอเกิดความไม่ดีขึ้นมาก็ทุกข์ใจทำดีไม่ถึงดีทำดีไม่ถูกคนทำดีไม่ถูกกาละเทศนะทำดีแล้วก็ไม่ได้พูดว่าดีบอกว่าดนะีหลายคนก็นเลยพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนตามชัว่วได้ดีมีถมไปนะอันนี้ก็บอกถึงว่า สติปัญญาที่เป็นลักษณะของปรญญาตัสภาวะยังมีน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นทําที่ทาให้เกิดความไม่ประมาทก็คือเราต้องมีรูปแบบเอาไว้เช่นรู้กายเห็นกายในกายไม่ใช่สตูตนบุคคลรเราเขาอยู่ตลอดเวลาและเห็นจิตในจิตนะตรงนี้ดูกายเห็นจิตดูจิตก็ต้องเห็นความคิด มันก็เลยใช้ได้สติปัญญามันไม่ใช่คาพูดแต่ว่ามันเป็นสภาวะของใครของเราที่เราจะต้องสรรสร้างสิ่งที่มีอยู่แล้วคือสติปัญญาแต่ว่าเราสรรสร้างให้มันคล่องตัวแล้ ว, ว่องไวเป็นไวพิปติภานต่างๆเอาตัวรอดได้ในโลกใบนี้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกแรงไม่เป็นแรงตกกาไม่เป็นกา อยู่ก็ดดำไม่ดำอยู่ก็บขาวไม่ขาวไม่ขา ว, ไ ม, ขาวไม่ดำแต่รู้อยู่รู้ขาวรู้ดำเขาดีอย่างไรก็ไม่ดีอย่างไรควรครบกับเขาตอนไหนหรือว่าตอนไหนไม่ควรครบอย่างเพราะนั้นทุกคนเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารถึงไม่ดีขนาดไหนก็อย่าไปทะเลาะด้วยเพราะว่าถ้าทะเลาะกับคนอีกหลายคนพักพวกมี หรือว่าถึงจะไม่ดีขนาดไหนนะเป็นจรจรวายร้ายขนาดไหนลึกๆ ก, ก, ก็ยังเป็นคนดีวันยัางข้ามก็น่ากลาบหน้าไปถึงก็จะเป็นโจรห้าร้อยขนาดไหนแม่ก็รักเขานักสงสารนะเคยมีเรื่องเล่า ว, ว่ามีไู้หญิงยู่คนหนึ่งเชา้าขึ้นมาถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมย ก็ขโมยจริงแหละก็คือไปหยิบเอาของแม่ค้าเข้ามาแม่ค้าก็ตื่นเช้ามายังไม่ได้ขายของมาขโมยไปต่อหน้าต่อตาหยิบไปต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็วิ่งหนีไปโจรโจวยวิ่งราวก็แจงตำรวจกระพากันวิ่งไล่ ไปเห็นเข้าไปที่สลัมตอนเช้าๆขโมยโจ๊กไปเสร็จแล้วเลียก็ไม่เปิดประตูก็เลยพังประตูเข้าไปภาพที่เห็นก็คือผู้หญิงกาลังถือโจ๊กแม่กินซะนะกินซะกินซะเร็วๆเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว แม่ซึ่งป่วยอยู่ไม่ได้รับอาหารมาหลายวันเนื่องจากไม่มีงานทําทั้งครอบครัวแต่แล้วผู้หญิงก็สลดใจโอ้ความกระตัญโยนั่นเนี่ยทำให้เกิดความเป็นขโมยขึ้นมาลูกกินซะลูกเฮ้ยลูกกินซะป้อนแม่ได้ป้อนลูกซึ่งพร้อมหรือตาซิโคงแต่ท้ายสุดก็คือ กับผูหญิงกับลกนะูกไปติดคุกจนเป็นข่าวข้าวนะอันนี้คือลักษณะของสังคมนะที่มีชนชั้นมีการเลื่อมล้ำต่ำสูงแล้วก็มีเรื่องของกฎแห่งกรรมกขมาเกี่ยวข้องแต่นั่นหมายถึงว่าถึงจะไม่ดีขนาดไหนก็ความน่าสงสารนะจึงต้องมีกระบวนการของคิดอย่างแยกกา ย, ยโยนทิสมนุษย์การนะ ตีโจทยให้แตกเป็นสิบมุมคิดแบบสาวหาเหตุสืบสาวหาเหตุคืออะไรเ ร, เรียกกฏอิทัปปเจตาคิดแบบปัจจุบันขณนะในสา ม, มันลักษณะลักษณะอย่างนี้มันมียังไงเป็นแง่ของบวกแง่ของลบชั่งน้ําหนักอาศัยการคิดโดยประสบการณ์อาศัยการคิดโดย ก, ยกา ร, ดดกา ร, ราทําสมองขึ้นมาคุณว่าไงคุณว่าไงคุณว่าไงคุณว่าไง หรือใช้กฎของกรรมกฎของธรรมชาติ <c oughs> ซึ่งตัวเราเองก็จะรู้ที่ตัวเราเองคณะนะตะนะ่อคณะคนณะต่อคณะคิดแบบปลุกเราคุณธรรมมองแต่แ ง, ง่ดีต่างๆ่าสังคมก็จะเดินไปในทางที่มันถูกต้อ ง, องวิวัฒนาการมันเป็นสังคม <c oughs> เราก็จึงมีระเบียบวินัยตามวินัยหรือว่านิตินัยต่างๆหรือแม้กระ ท, ทั่งพฤติไนก็ตามคนไม่ถูกเปลี่ยนไม่ถูกเป็นถูกก็มีอยู่เช่นลันกษณะของกฎหมายที่ดินว่าโดยการเดินทางเจ้าของที่ปล่อยให้คนเดินทางปล่อยให้คนมาทํากินบนที่ เกินสิบปีขึ้นไปคนคนเดียวเดินก็ต้องเปิดเป็นเส้นทางเดินคนหนึ่งคนมาเก็บของกินครบสิบปีโดยที่เจ้าของบ้านไม่กระตือหรือลน้นหรือว่าชี้แจงเหตุผลท้ายสุดเขาบอกว่าของเขาก็ต้องยอมทางกฎหมายเรียกว่าปกของโดยปฏิปักษ์ มีมากมายแล้วกันแตว่าเราจบตรงที่ว่าความรู้สึกตัวการเดินจงกรมการนั่งสร้างจังหวะระดับสุดก็คือไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีอะไรเป็นของของตนสมบัติผัดกันชมว่ากันไปตามกรรมตามบาละต่างๆเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอย่เงี้ยนมันก็คือการขนส่งวิธีคิดก็เปลี่ยนไปวิธีพูดก็เปลี่ยนไปวิธีทาก็เปลี่ยนไป ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันก็จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก่อนตายเดี๋วในโลกใบนี้ก็อยู่ใช้ชีวิตให้คุ้มใช้ยังไงที่เราใช้ให้คุ้มก็ใช้กายมีกายก็ใช้กายให้คุ้มมีวาจาใช้วาจาให้คุ้มมีความคิดนึกปรุงแต่งก็ใช้ให้คุ้มเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมีไว้ใช้ ถ้าเราใช้ความคิดเกิดคุณค่าถ้าความคิดใช้เรามันค่าคุณวาจานี่มีไว้ใช้ถ้าเราใช้วาจามันมีคุณค่าถ้าวาจาใช้เรามันค่าคุณร่างกายเราใช้กายนั่งกายเดินกายยืนกายนอนใช้อย่างมีสติมันเกิดคุณค่าขึ้นมาทำงานทำการขยับไม้ขยับมือเกิดคุณค่าถ้าถ้ามันใช้เรามันค่าคุณเจ็บมันก็เจ็บตัวแก่เราก็แก่ด้วย ตายเราก็ตายด้วยมันขาดทุนพอมีความรู้สึกตัวขึ้นมาความเป็นปกติปรากฏสติปัญญาปรากฏมันก็เห็นรูปเห็นนามเหนือรูปเหนือนา ม, มาทำทั้งปวงเคยมีรูปยึดรูปเคยมีนามยึดนามมันก็พ้นวิมุตตหลุดพ้นเป็นทุกครั้งที่มีสภาวะของผู้ดูมาเห็นตัวเองก็ต้องเห็นคนอื่น เราไปเห็นลราก็เห็นด้วยเมตตาเพราะว่าสรร ส, ส, สิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันถึงน่าสงสารมากมนุษย์ศัตรู ส, สิ่งของที่อาจจะมีความเข้มแข็งกว่ามนุษย์บางทีเขาแค่แย่งของกินกันสัตว์าาราชาแย่งกันสืบพันธุ์เขาแย่งกัน ก็เรียกว่าที่ไหนมีผลประโยชนที่ไหนมีการขัดแยง้งเดี๋ยเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็ถือว่าเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปถ้าอยากโกรธไรก็โกรธไปแต่ถ้าขอร้องได้ก็อย่าโกรธกันนะอภัยอภัยอภัยขอโทษขอโทษขอโทษก็พูดแบบนั้นกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผ่านแล้วให้แล้วไปนะผ่าแล้วให้แล้วไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันเป็นเช่นนั้นเองมันก็อยู่ในหัวใจของพวกเรารูปแบบตายสุดมันนอกรูปแบบมันกลายเป็นเรื่องของไวยพิปิพานแล้วก็เป็นปัญญาพุทธะที่ไม่ใช่ปัญญาเฉกโก้ตัวรอดไปวันๆมากรอกสามตกากปาไม่ถูกมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก <Yeah. S 1> ชอบก็คือชอบ <Yeah. S 1> มันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่สังคม <Yeah. S 1> อันนี้เราว่าไม่มีความเป็นตัวกลของกลแล้วแต่จะจัดให้จัดหนักจัดเบาเราก็ไม่เป็นไรเราจึงมีแพทย์งดงาม <Yeah. S 1> เป็นความสวยงามของชุมชน อย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้วันนีนะ้ประมาณสองสามร้อยคนก็เรียบร้อยดีหน้าวัดทุกเช้านะก็เห็นก็มีกิจกรรมล้วก็รวมตัวกันตรงนั้นอย่างเรียกว่าสันติสุขมีสันติภาพมีความสงบนะคนป่วยมีคนแก่มีคนปกติก็มี มันก็เลยเป็นภาพก็อาจจะไปฏิบกันนอกรูปแบบนั่นแหะมองดูแล้วก็น่าศรัทธาเหมือนกันตรงมชนใหญ่หันว่ามองภายในของเราเก็บอารมณ์เข้มเอาชนะศรัทธาอีกนเะมื่อวานมีคนเดินเข้ามากลุ่มหนึ่งกลับไปแล้วก็ย้อนกลับเข้ามากลางเต็นท์นอนกันปฏิบัติธรรมกัน เป็นภาพที่น่าดูงดงามสวยงามมากแล้วก็ภาพหลวงพ่อเขียนที่เล่นในใจมันประทับเอาไว้ท่านใช้ชีวิตแบบง่ายๆอาบน้ำอยู่ที่ลานหินกงโดยละเป็นการปฏิบัติธรรมท่านแสดงทำให้เราเห็นนอกจากพูดให้ฟังแล้วก็ทำให้ดู ทำให้ดูยังไงการอาบน้ําเป็นการปฏิบัติธรรมก็เรียก ว, ว่าไล่รูปแบบนอกรูปแบบก็ว่าได้ท่านเดินไปเดินมาท่านปลูกต้นไม้เราก็ถือว่าเป็นกนําไรท่านสอนให้เราดูโดยที่เราเป็นกูพระลักจำํำท่านสอนโดยที่ไม่ได้บอกว่าสอนสอนให้เราไม่ได้รู้ว่าท่านสอนเราอยู่ เราก็จึงไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ว้าเวหรือพออยู่หลายคนแล้วก็สับสนยุ่งเหยิง <Okay. S 1> เพราะเรามีความรู้สึกตัวตั้งในรูปแบบนอกรูปแบบ <Yeah. S 1> ดังนั้นก็ขอให้พวกเราที่มีโอกาสแล้ว <Yeah. S 1> ก็มาวัดป่าสุขโต yeah. ไปแล้วด้วยดีคือไปเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายสุกโตสุขติก็คือไปสู่สุขติภูมิเป็นเทวดาเป็นพรหมทุกติภูมิก็หมายถึงตั้งแต่เปลสารโลกสุรกายจัตเตียฉานนั้นเราไม่ไปเราปินาบายความรู้สึกตัวนี่เราไม่ไปอะไรที่เป็นทางเสื่อมไม่ไป ัที่รู้สึกตัวอย่างเงี้ยเราไปสู่โตกันรู้ได้ไม่จำกัดการอาการิโกเป็นปัจตจังรู้ได้ตัวของตัวเองนะก็ผูใ้ใดฟังก็ขอให้ความดีที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติระอว่าการประพฤติปัมจันท ร, ร์ของเราจนกระทังจิตบริสุทธิ์ก็ใช้ชีวิตไปให้เกิดกาไรยิ่งๆึง้นไปเป็นประโยชน์ตประโยชน์ท่าน ขอขอให้ความปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นประพฤติปวงชนของเราทั้งหลายนั้นก็จนเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกมีแต่ความสุขในพระนิพพานโดยทัวนาการทุกท่านทุกคนท่านเธอ